بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ع ا ل ى إن هذا القرآن يهدي ل ل ت ي هي أقوى و ي ب ش ر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أ ج ر ا كبيرا. إخوتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أروع نفحات الإيمان وما أعذب آيات الرحمن يوم يرتوي المؤمن منها فتهدأ النفس ويرق الجنان تسجلات ابن الحطاب الإسلامية بالدمام تصحبك معها لتتفيأ ظلال القرآن العظيم إذ تشرف أن تضع بين يديك. ترتيلا مباركا لكامل المصحف الشريف بصوت الأخ سعد بن سعيد الغامدي حيث ضم ستة عشر شريطا يبدأ كل شريط بسورة ويختتم بسورة نبتهل إلى المولى القدير أن ي ع ل ي مراتبنا بالقرآن وأن يعيننا على حفظه وتدبره. و َ ن يعظم الأجر لمن قرأه وسمعه وأخرجه والآن مع شريط الأول ويحتوي على س و ر ت ي الفاتحة والبقرة บท الفاتحة บท الفاتحة เป็นบทมักยาคือถูกประทานลงมาที่นครมักกะ ก่อนที่นบีมูฮัมมัดสลลลห์อะไรวะสลัมจะอพยพไปอยูปปย่ปปยที่นครมดีนะมีเจ็ดอกาสบทอันฟาติฮามีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันเช่นฟาติฮะตุลกิตาคือเป็นบทแรกของคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นบทที่ถูกประทานลงมาครบทั้งบทเป็นอันดับแรกอุมมูลกิตาบหรืออุ ม, มูลกุรอาน คือเป็นแม่บทของคำภีอังกุรานเป็นแม่บทที่รวบรวมเอาความมุ่งหมายทั้งหมดของคำภีอัลกุรานเอาไวเช่นการสเสริญอัลลอฮ์การให้เอกภาพแก่พระองค์การเชื่อฟังและการปฏิบัติตามแนวทางที่เที่ยงตรงและการออกห่างจากพ้นทางที่พระองค์ทรงห้ามบอกให้ทราบถึงการตอบแทนการลงโทษและการดาเนินชีวิตใน้นทางที่ถูกต้อง อัสซับุลมาซานีคือองค์การทั้งเจ็ดที่ถูกอ่านซ้ำๆกันเพราะเป็นบทที่บัญญัติให้ถูกอ่านเป็นประจำในแต่ละร็อกกาของการละหมาดทั้งที่เป็นฟ ร, รดูบังคับและสุนัขที่ส่งเสริมอัลอาสาตเป็นรากฐานเพราะบทนี้มีความสำคัญมากเป็นรากฐานของคำมพี์อักรานด้วย ความเป็นมาของบทนี <intent>? ้ก็ค <atrás> ือขณะที่ท่านนับบี้มอมัสลลัลลฺฮุอาไลวะสลัมอยู่ตามลำพังนั้นได้มียิบรออีนมาเรียกท่านว่าโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวบิสมิลลาฮิรรหฺมะนีรรหฺีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามิจนกระทั่งถึงวาลับดอลีนด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เข้าใจว่าบทอัลฟาติยาเป็นบทแรกที่ถูกประทานลงมาทั้งบทและยังเป็นบทที่มีข้อความครบสมบูรณ์เป็นบทแรกอีกด้วยนักวิชาการมีความเห็นต่างกันในการนับองค์การที่เจ็อิหมามชาฟีมีความเห็นว่าบิสมิลลาฮิร rahman ิร rahim นั้นเป็นองค์การที่หนึ่งดังนั้นจึงจำเป็นต้องอ่านดัง ในการนะหมาดที่อ่านดังและอ่านค่อยในละหมาดที่อ่านค่อยส่วนทัศนะที่มีน้ำหนักถือว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิมไม่ได้เป็นองค์การหนึ่งของบทอัลฟาติย์แต่เป็นองค์การเอกเทศส่วนองค์การที่เจ็ดก็คือไ a ริมักดูบิอัลไลฮิมวะลดอลีดตาเสมอ บการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของ a ลอ a h พระผู้ยบานแห่งสามกุโลกอัลราะห์มาลิราะีมผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอมาริคีอูมิดีนผู้ทรงอวิสิ์แห่งวันตอบแทนอียาค์นะอบุดวะอียาค์นะสตอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้น ที่พวกเราเคารพพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราขอความช่วยเหลื อ, อลขอพระองค์ทรงแนะนำพวกเราสู่ทางอันเที่ยงตรง คือทางของบรรดาผู้ที่ประหลงได้ทรงโปรดประทานแก่พวกเขาไม่ใช่ทางของพวกที่ถูกปลิวและไม่ใช่ทางของพวกที่หลงผิดบทที่สองอัลบากราะภาคที่หนึ่งแนะนําบทอัลบากราะบทอัลบากราะเป็นบทมาดานิยะมีสองร้องการ ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮฺอะลัยยฺอัลซัลลัมได้อพยพไปอยู่ที่นครมาดีนาแล้วเป็นบทที่ยาวที่สุดของอัลกุรอานในบทนี้มีสาระที่สําคัญพอสรุปได้ดังนี้เรื่องอักกิดาหลักศรัทธาเชื่อมั่นการให้เอกภาพต่อหล่อเรื่องอิบารดาเช่นการละหมาด ก, การถือสิ่นวดการบริจาคอากาศ และการประกอบพิธีหัจเรื่องสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันเรื่องจริยธรรมและมัญย่าต่างๆที่ควรปฏิบัติเรื่องการแต่งงานการหย่าร้างและการเก็บตัวหลังจากการหยา่าในบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงมนุษย์โดยได้จำแนกออกเป็นสามประเภทกล่าวคือประเภทที่หนึ่งมุมินี คือผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์พระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งชายของพระองค์และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามบทที่สองกาฟิรีนผู้ปฏิเสธศรัทธาบทที่สามมูนาฟิกีซึ่งอาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้หลายความหมายด้วยกันเช่นพวกหน้าไหว้หลังหลอกพวกกลับกรอกหรือพวกช่อชนเป็นต้น มนุษย์ทั้งสามประเภทนี้นั้นได้ถูกบ่มบอกให้ทราบถึงแกนแท้ของแต่ละกลุ่มแล้วในที่สุดเราก็ทราบว่ากลุ่มไหนเป็นคนดีและกลุ่มไหนเป็นคนไม่ดีต่อมาพระองค์ได้กล่าวถึงการบังเกิดมนุษย์คนแรกคืออาดัมอะไิสลาและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอาดัมต่อจากนั้นก็กล่าวถึงเรื่องราวคมภีหรือที่เรียกเป็นภาษาอารับว่าอลลุกิตะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของชาวยิวหรือยัฮูดีอันเนื่องในการที่พวกเขามีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองมาดีน่นะซึ่งพระองค์ได้ทรงเตือนให้บรรดามุสลิมระมัดระวังพวกเขาอยู่เสมอเพราะพวกเขามีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเช่นบิดพรียวสัญญาหักหลังให้ร้ายป้ายสีสร้างความปั่นป่วนมุ่งร้ายต่อมุสลิมอยู่เสมอซึ่งเรื่องราวของชาวยัฮูดีนั้น เริ่มตั้งแต่องการที่สี่สบของบทส่วนบรร ญ, ญัติต่างๆที่ระบุไว้ในบทนี้ที่สำคัญก็คือการถือศีลอดการทำฮัจ์และอุหมรอการต่อสู้ในทางขอรอเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวเช่นการแต่งงานการหย่าร้างการเก็บตัวหลังจากการหย่าร้างการให้นมเด็กห้ามแต่งงานกับหญิงที่กราบไหว้จเจวิ และห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภัญยาขณะที่นาง น, นั้นมีรอบเดือนเรื่องดอกเบีย้ยและสิ่งที่เกี่ยวกับดอกเบีย้ยในตอนท้ายของบทนี้พระองค์อัลลอฮสุบฮานวตาลาได้เตือนให้มนุษย์ระวังวันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือวันโลกาพินาตวันสิ้นโลกโดยพระองค์ได้เรียกร้องให้ทุกคนกระทำความดีเมื่อทำผิดไปแล้วก็ให้รีบกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษ ต, ต่อพระองค์เสีย ด้วยพระนามของ a ลล a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามมีมอลิฟลามมิมด้วยนามของ Allah ผู้ทรงกรุรงเมตตาเสม คำพีนี้ไม่มีความสงสัยใดๆนั้ น, น, นเป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงทั้งหลายคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับและปฏิบัติละหมาดและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขานั้น พวกเขาก็บริจาคละบรรดาผู้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้ามุฮัมมัดและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้าและต่อวันประโลกนั้นพวกเขาเชื่อมัน ชนเหล่านี้คือผู้ที่อยู่บนทางนำที่มาจากพระผู้บานของพวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นย่อมมีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าได้ตักเตือนพวกเขาแล้วหรือยังไม่ได้ตักเตือนพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา Allah ได้ ل รงประทับตราบนหัว ه จของพวกเขาและที่หูของพวกเขาแลอัลล่ัะลอได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาและที่หูของพวกเขาและที่ตาของพวกเขาก็มีสิ่งปิดบังอยู่และเขาเหล่านั้นจะรับการลงโทษอย่างมห ah า และจากกลุ่มชนนั้นมีผู้กล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่อหลอและวันปรโลกแล้วทั้งทั้งที่พวกเขาหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่ เขาเหล่านั้นต่างหลอกลวง a l ล a h และบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขาไม่ได้หลอกลวงใครเลยนอกจากหลอกลวงของพวกเขาเองเท่านั้นแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึก Un, un, un, ในวิจัยของพวกเขามีโรคอย่างหนึง่งและเราได้ส่งเพิ่มโรคอีกอย่างหนึง่งให้แก่พวกเขาและพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบอันเนื่องจากการที่พวกเขากล่าวเท็จ ل ل ن ن และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงอยา ก, ก่อความเสียหายบนแผน่นดินพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงนั้นพวกเราเป็นผู้ปรับปรุงให้ดีต่งางหาก อลอินนุมฮมุลมุฟสดูนวลาินลยชพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขานั้นแหละเป็นผู้ที่ก่อความเสียหายแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึกวะอิซากีลละฮุมอามินูกะมาอามนันนาสกาลู แลเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงศรัทธาเยี่ยงผู้คนที่เขาศรัทธากันเถิดพวกเขาก็กล่าวว่าจใจศรัทธาเยี่ยง ผู้ฉุดเขาเหล่านั้นศรัทธากันกระ น, นั้นหรือพึงทราบเถิดว่าพวกเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ฉุดเขาแต่พวกเขาหารู้ไม่าาอออลกกน และเมื่อพวกเขาพบกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาได้ร่วมอยู่กับบรรดาหัวโจกของพวกเขาแต่ลําพันพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเรายังอยู่กับพวกเจ้า แท้จริงเราเพียงแต่เป็นผู้เยื้อะหยันเท่านั้นอัลลอฮจะทรงเยื้อหยันพวกเขาและจะทรงยืดเวลาให้พวกเขาจมปลักอยู่ในการและเมื่อต่อไป ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อทางผิดด้วยทางที่ถูกดังนั้นการค้าของพวกเขาจึงไม่มีกำไรและพวกเขาก็ไม่เคยเป็นผู้รับเอาทางที่ถูกเลย ه ه อุปมาพวกเขานั้นดังอุปมาผู้ที่จุดายขึ้น ครั้นเมื่อไฟได้ให้แสงสว่างแก่สิ่งที่อยู่รอบๆเขาแล้วอลลอฮ์ก็จะได้นำเอาแสงสว่างของพวกเขาไปและปล่อยพวกเขานั้นอยู่ในความมืดซึ่งพวกเขาไม่สามารถจะมองเห็นได้มมบุมุเขาเหล่านั้นเป็นคนหูหนวกเป็นใบ้และตาบอด ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องได้ اء ات صابعهم اع علون ذ หรือดังอุปมัยฝนที่หลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าโดยที่มีทั้งความมืดฟ้าร้องและฟ้าแลบพวกเขาจึงเอานิ้วมืออุดหูของเขาไว้อันเนื่องจากฟ้าผ่าทั้งนี้เพราะกลัวความตายและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมพวกเขาปฏิเสธศรัทธาไว้แล้วยย า, าดุบรอ كلما أضاء لهم مشو فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. สายฟ้าแลบแทบจะเฉียวสายตาของพวกเขาไปคราดยที่มันให้แสงสว่างแก่พวกเขาพวกเขาก็จะเดินไปในแสงสว่างนั้นและเมื่อมันมืดลงแก่พวกเขาพวกเขาก็หยุดหยืดและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็ทรงนําเอาหูและตาของพวกเขาไปแล้วแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ت ت โอ่งมนุษย์ทั้งหลายจงคารมพักดีพระผู้พิบาลของพวกเจ้าที่ทรงบังเกิดพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะยำเกรง الذي جعل لكم الأرض فراش و السما بناو وأنزل من السماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون พระองคือผู้ทรงให้แผ่นดินเป็นที่นอนและฟ้าเป็นอาคารแก่พวกเจ้าและทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วได้ทรงให้บรรดาผลไม้ออกมาเนื่องจากน้ำนั้นเพื่อเป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าให้มีผู้เสมอเหมือนใดๆขึ้นสำหรับอัลลอ์โดยที่พวกเจ้าก็รู้กัน وإن كنتم في ريب مما نزلنا على ع ب د ا فأتو بسورة من مثله فأتو بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين และหาปรากฏว่าพวกเจ้าเกิดความสงสัยใดๆจากสิ่งที่อัลกุรอานที่เราได้ประทานลงมาให้แก่บ่าวของเรามุฮัมมัดแล้วพวกเจ้าก็จงนำมาสักบทหนึ่งเยี่ยงนั้นและจงเชิญชวนผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ให้ร่วมด้วยหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง แต่ถ้าพวกเจ้ายังไม่ได้ทำและจะไม่ทำต่อไปแล้วก็จงระวังไฟนรกซึ่งเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และหินโดยที่มันได้ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة ا ِ ر ز ق ا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به م ت ش ا ب ه ا และเจ้ามุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่ บ, บรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลายว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับสวนสวนรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่ข้างใต้นั้น คาดที่พวกเขาได้รับผ ล, ลไม้จากสวนสวรรค์นั้นเป็นเครื่องยังชีพพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือสิ่งที่พวกเราเคยได้รับเป็นเครื่องยังชีพมาก่อนแล้วและสิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันและในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นตลอดกาล إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم َأَمَّنَّ مَاذَا مَثَلًا وَمَا الَّذِينَ فَيَقُولُونَ كَفَرُوا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِي كَثِيرًا وَيَهْدِي الْفَاسِقِينَ بِهِي بِهِي يُضِلُّ แท่ิงอัลลอฮจะไม่ทรงละอายในการที่จะยกอุทาหรนใดๆขึ้นเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นริ้นสักตัวหนึ่งและสิ่งที่เล็กยิ่งไปกว่านั้นส่วนบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาก็ย่อมรู้ว่าแท้จริงมันคือความจริงที่มาจากพระผู้อวบานของพวกเขาสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์สิ่งใดในการยกอุทาหอนด้วยสิ่งนี้พระองค์ทรงให้คนมากมายหลงผิดด้วยอุทาหอนนั้น และทรงชี้นำทางที่ถูกต้องแก่คนมากมายด้วยอุทาหรนนั้นและพระองค์จะไม่ทรงให้ใครหลงผิดด้วยอุทาหรนนั้นนอกจากคนชั่วเท่านั้นออลมบบว คือบรรดาผู้ที่ผิดสัญญาต่ออัลลอ์หลังจากที่ได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์และตัดสิ่งที่อัลลอส์ทรงชา้ให้ต่อและทำความเสื่อมเสียหน้าผืนแผ่นดินชนเหล่านี้แหละคือพวกที่ขาด พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าเคยปราศจากชีวิตมาก่อนแลวพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นในโลกนี้ ภายหลังก็ส่งให้พวกเจ้าตายแล้วก็ส่งให้พวกเจ้านั้นเกิดขึ้นมาอีกในปรโลกแล้วพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปสู่พระองค์ พววระองค์คือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สำหรับพวกเจ้าภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าแล้วได้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็บชั้นและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَالِي ف َ ة َْ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُبْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ا ل د ِّ م َ أ َ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي และจงดำลึกถึงขณะที่พระผู้บานของเจ้าในตรัสแกมาลายกาว่าแท้จริงข้าจะให้มีผู้แทนคนหนึ่งบนแผ่นดินมาลายกาด้วยทูลขึ้นว่าพระองค์จะทรงให้มีผู้บ่นทำลายและก่อการนองเลือดขึ้นบนแผ่นดินกระนั้นหรือทั้งทั้งที่พวกเราให้ความบริสุทธิ์พร้อมด้วยการสรเสริญพระองค์ท่าน และเธอทูนความบริสุทธิ์แก่พร่งท่านพร่งตรัดว่าแท้จริงค่ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ว่อัลลมอาดมัลอสมาอคุลหาคุมมะอรดหุมอลัลมลาอิกะ และพระองค์ได้ทรงสอนบรรดา น, นามของทั้งปวงให้แก่อาดัมภายหลังได้ทรงเสนอนามเหล่านั้นแก่มาลาอิกะแล้วตรัสว่าพวกเจ้าจงบอกนามของสิ่งเหล่านั้นแก่ข้าเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง إن أن พวกเขามาลายกาได้ทูลว่าพระองค์ท่านทรงมหาบริสุทธิ์ไม่มีความรู้ใดๆสำหรับพวกเรานอกจากสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงสอนพวกเราเท่านั้น แทจิพระองค์ด้านคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ กลเลคุมอินนอลลัมไกบ์ที่วัตรอินนอัลลัมไกบ์ที่วัตว์และทิอัลลัมแมุบดนแลคุนทุมเตุมุนพรงตรัสว่าโอ้อานัเจ้าจงบอกบรรดานามของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาที ครั้งเมื่อดำได้บอกนามของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าไม่ได้บอกแก่พวกเจ้าดอกหรือว่าแท้จริงข้าทรงรู้ดียิ่งถึงความเร้นลับแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว